วัดนี้จะแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายสืบต่อไปสมุทัยคือเหตุของความทุกข์นั้นโดยทั่วไปจะทรงแสดงที่ตัณหาทั้งสามประการคือการมาตัณหาอาการที่จิต ด, ดิ้นรนทะเยอทะยานอยาก ในสิ่งที่จิตใคร่จิตปรารถนาจิตพอใจพรวะตถหาอาการที่จิต ด, ดิ้นรนทะเยอทะยานอยากในสิ่งที่จิตต้องการมีต้องการเป็นในฐานะในตาแหน่งในชั้นจุดนั้นนั้นและวิภวตัตนาอาการที่จิต ด, ดิ้นรนปฏิเสธในสถานะความมีความเป็นนั้นนั้น ซึ่งท่านสาชนทั้งหลายจะเห็นว่าเอาก็าจริงแล้วก็คืออาการของความโลภกกอาการของความโกรธซึ่งก็มีความหลงแฝงอยู่ทุกจุดธรรมะปฏิบัติทั้งหลายในส่วนที่จะเป็นปะปะาฮะะที่เรียกว่าละชั่วหรือภาวนาประพฤติปฏิบัติดีก็ต่าโดยเนื้อหาสาระแล้วก็คือการลดความชั่วการเพิ่มความดี ในกรณีปาณะที่ปเปลวละนั้นประสงค์สอนให้บุคคลพยายามละกิเลสละตัณหาให้ลดน้อยถอยกระงลงไปให้มีอิทธิพลครอบงามใจิตใจเราน้อยลงไปโดยลำดับจนสามารถอย่น้อยที่สุดก็เป็นตัวของตัวเองการตัดสินใจพูดตัดสินใจทําก็เกิดขึ้นมาจากความคิดที่มีเหตุมีผลของตนเอง แม้จะมีอาการของกิเลสอยู่บ้างแต่ก็ไม่รุนแรงจนถึงก็ออกไปนอกคำลองครองธรรมซึ่งเราจะเห็นว่าที่ทรงแสดงไวไ้ในกุศลคำบท1ิบประการนั้นทรงคุมไว้ด้วยคำว่าสมาิฐิคือปัญญาเนีนชอบตามทำนองครองธรรมเราเองอาจจะไม่ทราบผลซึ่งเกิดขึ้นจากการประพฤติปฏิบัติอย่างนั้นไปทุกกรณี แต่ก็เห็นว่าคันลองครองธรรมมันเป็นอย่างนี้ก็ประพฤติปฏิบัติไปอย่างนี้แต่ในขณะที่ประพฤติปฏิบัติไปอยู่นั้นก็จะเห็นทั้งการลดไปการจางไปการคลายไปของกิเลส ท, ทั้งหลายสาบเท่าที่เรายังอยู่ในคันลองครองธรรมแต่ในช่วงใดจังหวะใดที่ใจแล่นออกจากคันลองครองธรรมในขณะนั้นเราจะเห็นการเพิ่มขึ้นของกิเลส การเพิ่มขึ้นของตัณหาทั้งสามประการด้วยการเพิ่มขึ้นของโลภะโทสะก็แสดงเหตุการมืดบอดในด้านเหตุผลสติปัญญาเพิ่มขึ้นซึ่งหมายความโมหะเอง ก, ก็เพิ่มขึ้นและการปฏิบัติสำรวมระวังในเรื่องเหล่านี้ทรงจะ แ, แสดงไว้โดยนัยาติต่างๆอย่านนเนรคดึงที่เราได้ยินได้ฟังอยู่บ้าง ก็คือแนวที่ทรงใช้กับมาสองบอลในกันแนวก็การสํารวมระวังในแรกก็คือสีละสองบอลเป็นการสํารวมระวังระดับของสีลหรือในเรื่องของสีลซึ่งท่านสาชนทั้งหลายจะเห็นได้โดยใจตัวเองว่าตราบใดที่เรายังมีสีลอยู่ จากันการประพฤติกระ ร, รมที่จะนําความเดือดร้อนมาสู่ตนเองและบุคคลอื่นก็จะไม่เกิดขึ้นแต่บางครั้งถ้าเดือดร้อนตนเองเราอาจจะมีความคิดที่เผาล้นจิต ใ, ใจตัวเองให้เราร้อนได้แต่สำหรับบุคคลอื่นแล้วจะไม่มีการกระทําที่เบียดเบียนบุคคลอื่นท่นนี้เป็นเพราะอะไรเพราะว่ากิเลสมันก็ถูกควบคุมไว้ด้วยศีล ศีนบางทีจึงทรงใช้คำว่าบรร ญ, ญตัตมีมีลักษณะมือก็เคือนหรือคันที่จะกันน้ำเอาไว้ไม่ล้นออกมาก็ไม่ไปไดเศษว่าน้ำไม่มีเพียงแต่ว่าน้ำไม่ล้นออกมาจากข้างนอกเคือนเท่านั้นเองมันจิตใจของบุคคลที่คุมกิเลสไว้ระดับนี้มันอาจจะมีระดับความคิดที่ผ่อล่นใจ แต่ไม่มีระดับทุจริตที่ออกมาทางกายทางวาจามันก็ดีมากแล้วซึ่งหมายความว่ายังไงหมายความว่าสีตั้งหาประการนั้นก็จะเป็นไปได้ดีแล้วแต่ก็ยังมีความร้ร้อนเกิดขึ้นภายในใจประสายกระแสของความคิดที่กอบหรือตัณหาบังคับให้จิต ด, ดิ้นสายไปในอารมณ์ต่างๆ ท่านก็วางไว้อีกขั้นหนึ่งเป็นรูปของอินทรีย์สังวรเป็นแนวของการป้องกันกิเลสที่ยังไม่เกิดไม่เกิดขึ้นในขณะเดียวกันก็ข่มใจตัวเองจากอํานาจของกิเลส ท, ที่มีอยู่ภายในใจแล้วในอินทรีย์สังวรยังเป็นแนวใหญ่ที่เราจะต้องเกี่ยวข้องอารมณ์ทั้งหลายอยู่ในชีวิตประจำวัน ท่านสาธารณนาจะสังเกตได้ว่าปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตของบุคคลนั้นถ้าเรามองดูให้ดีแล้วมีเรื่องอดีตอยู่เป็นนันมากกับมีเรื่องอนาคตอยู่ไม่ใช่น้อยแต่เรื่องอดีตนั้นที่จริงก็คือเรื่องอดีตดีก็ดีเท่าที่ดีไม่ดีก็ไม่ดีเท่าที่ดีเท่าที่ไม่ดี เพราะการนำมาวิตกกังวลเดือดร้อนถึงความผิดพลาดในอดีตไม่เป็นการสร้างปัญหาเพิ่มขึ้นในปัจจุบันแต่ตทางที่ในปัจจุบันเราก็มีปัญหาอยู่แล้วเรื่องมือมั ว, มวพ เ, เพลิดเพลินรื่นเริงบันเทิงอยู่กับอดีตก็เป็นการทําลายโอกาสในปัจจุบันที่จะประพฤติปฏิบัติในสิ่งดีงามเพิ่มขึ้น พระดีที่เรานำมาเพลิดเพลินหรือ เ, เริงบรรเทิงใจนั้นที่จริงแล้วเนี่ยมันก็มีเท่าที่มันมีมันก็เป็นเท่าที่มันเป็นแต่เวลาเราต้องสูญเสียไปเพราะแนวอดีตที่ท่านเรียกว่าอาดี ต, ติารุมคืออารมณ์ในอดีตพระเจ้าจะทรงสอนอยู่สองแนวเท่นั้นเองแนวหนึ่งก็คือ การมองความผิดพลาดทั้งหลายในอดีแต้เป็นบทเรียนอย่าเป็นของคนอื่นหรือของตนเองก็ตามแล้วเกิดสำนึกหลับจำที่จะไม่ประพฤติกระทเช่นนั้นอีกต่อไปเพราะเราเคยประสบความเดือดร้อนมาแล้วที่ํำนวนไทยเราพูดอยู่คำหนึ่งว่ารู้จักหลับจำปัญหาที่จะต้องวิตกกังวลก็จะลดน้อยลงไป าสามารถใช้ชีวิตในปัจจุบันให้เป็นไปด้วยดีเพราอปัจจุบันเป็นอดีตก็เป็นอดีตที่ไม่ต้องวีตกกังวลอะไรในส่วนสิ่งดีงามต่างๆซึ่งเกิดขึ้นในอดีตก็ทรงสอนในแนวที่ให้บุคคลได้ใช้เป็นบทเรียนในการประพฤติปฏิบัติต่อไปซึ่งท่านสาวชนทั้งหลายจะสังเกตว่าพวกอนุสติทั้ง10ประการที่เป็นอารมณ์ของกรรมฐาน พุทธานุสติการตั้งสติตามระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าธรรมานุสติตั้งรติตามระลึกถึงคุณประธาารรมสังขารนุสติตั้งสติึกตามระลึกถึงคุณของพระสงฆ์รเราเห็นว่าคุณความดีเหล่านั้นเป็นของพระพุทธเจ้าประธรรมพระสงฆ์ท่านก็ดีเขาท่านอย่างนั้นแหละแต่การที่ใจเราน้อมระลึกผ่านนั้นก็เพื่อให้บังเกิด สทาปสาัทะมีความปิติประโมท์จนใจิตใจมีความชื่นชมที่จะได้ที่จะมีที่จะเป็นอย่างที่ท่านได้ท่านเป็ท่านเป็ด เ, เราก็น้อมเอาความดีเหล่านั้นมารำลึกถึงแต่เป็นการรำลึกอยู่ที่ปัจจุบันเช่นเราภาวนาพุโทโธพุธโทโธธรมโอธรมโอสังโฆสังโฆเนี่ยเราก็ภาวนาอยู่ที่ปัจจุบัน ซึ่งก็ใชอยู่สองแนวคือใช้ส ง, งบจิตส ง, งบด้วยบทนั้นๆในปัจจุบันหรือไม่นก็ดึงคุณสมบัติที่มีอยู่ในพระพุทธเจ้าประธรรมประสงค์นั่นเองมาเป็นหลักในการประพฤติปฏิบัติเอามาใช้บทเรียนเป็นการศึกษาประพฤตรปฏิบัติตามแนวศีลานุสติคือาการตั้งสติตามเลึกถึงคุณศีลของตนและจากานุสติตั้งสติเราเลึกถึงจากะที่ตนได้บริจาค ซึงการกระทาทั้งสองประการนั้นเป็นเป็นบุตรในส่วนของจาคะานั้นก็จะมีหลายอย่าง เ, าเช่นมีธานใหม่เป็นตนเรื่องสีนก็คือเรื่องของศีทําใหม่เป็นความดีงามที่เรากระทาในอดีตเราได้รับความสุขรับความปีติปราโมทเอื้ออิ่มใจแล้วในอดีต มันก็เหมือนอาหารอร่อยที่เราคิดในอดีตเราอยากกินอีกก็ต้องนึกถึงอดีตว่าปรุงอย่างไงแล้วก็นํามาปรุงเพรา ะ, ะการคิดเป็นการคิดในเรื่องอดีตเพื่อนํามาใช้ปัจจุบันการปรุงก็เป็นเรื่องปัจจุบันการกินก็เป็นเรื่องปัจจุบันการอิ่มก็เป็นเรื่องปัจจุบันควา ม, มรอร่อยที่เราเกิดขึ้นมาก็เป็นเรื่องของปัจจุบันแต่เราก็ใช้อดีตเป็นเครื่องมือในการน้อมนรำลึก เคยได้รับผลอย่างที่เราเคยได้รับมาผู้เทวตานุจิการตั้งสติตามลึกถึงเทวดาเพราะฉะนันว่าเทวดาก็คือเทวดาเทวดานั้นที่จริงแล้วเป็นรูปธรรมที่เกิดขึ้นจากผลแห่งความดีงามที่ท่านเหล่านั้นกระทำาว่าเวลาศึกษาเราไม่ได้ศึกษาเฉพาะว่าท่านเป็นใคร แต่ศึกษาต่อไปว่าท่านเป็นอย่างนี้ได้ด้วยเหตุอะไรแล้วเมื่อเราต้องการเป็นอย่างที่ท่านเป็นซึ่งที่จริงก็คือแนวของพระวตราห า, าเหมือนกันหมายความอยากเป็นอย่างที่ท่านเป็นแต่ว่าแทนที่ที่จะไปฆ่าหรือไปแย่งตำแหน่งซึ่งท่นสาชนทั้งหลายจะสังเกตว่าถ้าโลกโกรธหลงมันแรงเนี่ยเห็นคนอื่นเป็นคนอื่นได้คนอื่นมี ตัวเองก็อยากได้อยากมีด้วยอยากได้อยากมีอยากเป็นด้วยแล้วเพื่อได้เป็น เ, เร็วๆได้เร็วๆมีเร็วๆก็ไปฆ่าชิงทรัพย์หมายความมาทำลายความเป็นเจ้าเข้าเจ้าของทรัพย์เหล่านั้นของเจ้าของทรัพย์และตัวเองก็เป็นเส อ, เอก็ได้มีทรัพย์ นั้นเราแสดงให้เห็นเรื่องอาการของโลภะโทสะโมหะที่ปิดบังเหตุผลสติปัญญาแรงมากๆทำชั่วตัวเองต้องเกลือกกลั่วด้วยความชั่วมีผลเป็นความทุกข์ความเดือดร้อนทั้งในปัจจุบันในขณะต่อๆไปแล้วก็ในสัรารจาพภาภักหน้าเพราะเรื่องความชั่วเนี่ยแนวนุสติจึงไม่ลึกแต่เป็นการสอนให้ย้อนรำลึกถึงปฏิปทาความดีงามในอดีต อย่างว่าเทวดาตนนี้ท่านทาบุญกุศลอะไรไว้ท่านจึงได้เป็นเทวดาเราก็ไปดึงมาเฉพาะตัวเหตุที่ทาให้ท่านเกิดเป็นเทวดาธรรมนั้นเป็นเรื่องสาคนูนไม่ใช่เรื่องเฉพาะเทวดาตนนั้นเท่านั้นแต่เรื่องใครก็ตามที่ประพฤติปฏิบัติอย่างนั้นแล้วก็จะเกิดผลในทางนั้นเดียวกันส่วนจะเท่ากันหรือไม่หรือยิ่งไปกว่าก็เป็นเรื่องรายละเอียดที่ขึ้นอยู่กับเหตุซึ่งบุคคลแต่ละคนทําไว้ไม่เหมือนกัน แนวพวกอนาปานสติเป็นการตั้งสติระลึกสำรวมใจของตนเองในปัจจุบันเป็นรูปของการสำรวมระดับของจิตใจจะ ท, ทำจิตใจก็้ซึส ง, งบอยู่กับอารมณ์ของกรรมฐานคือคือลมหายใจเข้าออกเดี๋ยวก็แนวมานสติเป็นการเรียนถึงความตายทั้งคนตาย ซึ่งก็มีทั้งในอดีตในปัจจุบันและแม้จะมีในอนาคตซึงเราจะเห็นว่าในตรงนี้ก็เหมือนกับที่พระโพธิสัตว์ท่านทรงคิดไว้ตั้งแต่ก่อนที่จะสรู้ตอนเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายก็ทรงคิดแนวนั้นภาพคนแก่คนเจ็บคนตายเป็นภาพที่ปรากฏในขณะนั้นคือปรากฏเป็นปัจจุบันแต่พระองค์ก็มองย้อนเข้าไปสู่อดีตว่าอดีตเนี่ยเขาไม่ได้เป็นอย่างนี้ ที่ก็เป็นอย่างนี้เพราะ็ผ่านการมามากเพราะในจากการผ่านการมามากเนี่ยเราต่อไปเมื่อผ่านการไปบ้ากเราก็แก่อย่างที่ท่านแก่เห็นคนแก่ที่ลำบากทุกทรมานมากอายุตั้งร้อยแล้วตอนนี้เรายังไม่ถึงร้อยก็คิดว่าอนาคตต่อไปเมื่อเราถึงร้อยเราก็เป็นอย่างที่ท่านเป็นทั้งๆ ท, ที่ในอนดีตท่านก็เคยเป็นอย่างที่เราเป็นในปัจจุบัน เลยท่านเองก็เคยเป็นอย่างที่เราเคยเป็นในอดีตเพรา ะ, ะแสดงเห็นว่าชีวิตนั้นอยู่ในกระแสของความเปลีป่ยนแปลงแต่ว่าทายังไงจะปลงใจให้ยอมรับความจริงส่วนนี้แล้วก็พยายามหลีกหนีอย่าได้ปฏิเสธใครควาจริงเราเองก็ต้องเป็นอย่างนั้นไม่ร่วงพนความเป็นอย่างนั้นไปได้จนถึงแนวที่ทา เรีอุปสมานดูสติคือการตั้ ง, ตงสติเราเลิกถึงปณิพัทธเพื่อทําใจของตัวในสัมผัสคุณลักษณะของนิพพานนั้นที่จริงแล้วก็เป็นการมองอดีตแต่เป็นการใช้อดีตเป็นครูในปัจจุบันสิ่งที่เราทําได้จริงๆคือเป็นเรื่องปัจจุบันไม่จะไปแก้ไขอะไรในอดีต การสํารวมระหวังบางอย่างเราจะพบว่าอารมณ์นั้นมาเกิดในขณะนั้นๆแต่ในขณะเดียวกันอารมณ์เช่นนั้นเกดเกิดมาแล้วในอดีตเราสามารถวินิจฉัยตัดสินอารมณ์ที่ในกระบวนการทางธรรมชาติที่ทรงแสดงว่า อยายตนะเป็นปัจจัยเกิดภาษาภาษาเป็นปัจจัยเกิดเวทนาเวทนาเป็นปัจจัยเกิดตัณหาหมายความว่ายังไงหมายความว่าถ้าเราสมรวมที่ระวังที่อายตนะเสียได้ไม่ดูเสียบ้างไม่ฟังเสียบ้างไม่ใส่ใจสนใจคิดเสบ้างไอภาษาบางก็ไม่เกิด เมื่อภาษาไม่เกิดเวทนามันก็ไม่เกิดเวทนาไม่เกิดตัณหามันก็ไม่เกิดเพราะนั้นก็ดับตัณหาแต่ตั้งแต่ต้นในแนวข้ออินทสียสมงบทห ม, มายความว่าเราคงได้เห็ น, ไ ด, หนได้ยินได้สูดมูมได้ดิมได้จัดต้องแต่ว่าไม่ได้นํามาปรุงคิดคิดปรุงอีกต่อไปก็หยุดไว้ตรงนั้นที่ทรงใช้คำว่า ระมัระวังตาหูจมูกลิ้นกายใจแม้เกิดความยินดียินร้ายในี่ยไปหลายรูปด้วยตายินเสียงด้วยหูเป็นต้นในพวกนี้เป็นธรรมะปฏิบัติที่มุ่งป้องกันด้วยแล้วก็มุ่งบำบัดด้วยบางอย่างเป็นคำสอนในแนวที่ให้เราต้านทานกระแสของอารมณ์ หมายควา ม, มาอย่างไงหมายควา ม, มาเราคงเจอหนาวเจอร้อนนั่นแหละแต่ว่าทํายังไงเวลาหนาวขึ้นมาเนะี่ยอยู่ให้ได้เวลาร้อนขึ้นมาก็อยู่ให้ได้นอนการอยู่ในช่วงหนาวช่วงร้อนก็คงไม่เหมือนกันเครื่องแต่งเนื้อแต่งตัวก็คงไม่เหมือนกันแต่ที่เหมือนกันก็คือปรับตัวเองให้อยู่ได้ท่ามกลางความหนาวและความร้อนเหล่านั้น การจิ ใ, ใจของบุคคลในการสํารวมระ่ังบางจากักรท่านจ ง, งชุ่งทรงใช้คำว่าขันติสังวรคือสํารวงระมัดระวังด้วยขันติท่านลองสังเกตดูว่าขันตินั้นก็คือการประทะอารมณ์หรือให้ตกไปแจ่มันก็เหมือนกับเราปลาก้อนอิด ก, ก้อนหินเข้าไปสู่กาแพงปาไปเท่าไหร่ก็ได้มันก็ตกอยู่ข้างนอกนั่นเอง คือไม่สามารถทะลุทะลวงกำแพงเข้าไปได้กำแพงก็ยืนหยัดด้านฐานก้อนอิฐก้อนหินเราดันเอาไว้เพราะอารมณ์ที่มากระทบนั่นเองจึงแล้วก็ร้อยเกิดความยินดีความยินร้ายขึ้นภายในใ จ, จิตใจของบุคคลบางครั้งมีการปรุงแต่งที่ค่อนข้า ง, ง, งแรงยั่วยุยวยวนยั่วย้าแรงมากสํารวมระวังไม่อยู่ปรากฏว่าทําใจในจุดนั้นไม่ได้ มันเกิดยินดียินร้ายไปแล้วมันก็ต้องอดกั้นอดทนเอาไว้อย่าให้ถึงกันลู้อำนาจแก่อารมณ์ซึ่งถูกปลุกร้าวเหล่านั้นในที่นี้เราจะเห็นว่าคันติจึงอดทนทั้งส่วนดีและส่วนไม่ดีที่เรียกว่าส่วนน่าปรารถนาและไม่น่าปรารถนาซึ่งก็สืบเนื่องมาจากใจจะต้องไม่ยินดียินร้ายในอารมณ์ทั้งที่รักและที่ชัง คือที่น่าปรารถนาและไม่น่าปรารถนาเพราะอะไรเพราะอารมณ์ทั้งสองประการนั้นมันก็เพิ่งกิเลส ด, ด้วยกันหมายความอารมณ์ที่น่าปรารถนาก็เพิ่มตัณหาสองประการแรกคือเพิ่มกา ร, รมตัณหากับภาะวะตัณหาอารมณ์ที่ไม่น่าปรารถนาก็เพิ่มวิภวะตัณหา ซึ่งก็จะกระแทกกระทันจิตใจของบุคคลให้มีความราร้อนรุนแรงมากยิ่งขึ้นเราก็ทรงสอ น, นแนวขันติคือปะทะอารมณ์เอาไว้โยฉะนัว่าแนวขันติจะทรงสอนไว้เป็นสี่กลุ่มใหญ่ๆด้วยกันกลุ่มแรกเป็นเรื่องปรากฏการณ์ของธรรมชาติที่วิปริตแปรผันไปตามเงื่อนไขกฎเกณฑ์ของธรรมชาติจึงก็ไม่รู้จะทำยังไงนอกแกทนเอา ในโลกของวิทยาการก้าวหน้าในปัจจุบันเราเช่นว่า ง, งานของกรมอุตุนิยมวิทยาก็ดีธรณีวิทยากด็าากดีที่บอกลักษณะของภูมิอากาศลักษณะของขนฟ้าลักษณะของธรรมชาติที่แปรผันไปเช่นว่าแผ่นดินไหวเป็นต้นจริงมันก็ทาได้แค่รายงาน แต่งานว่าจะเกิดแล้วก็นในขณะที่เกิดมันมีความเปลี่ยนแปลงไปยังไงในรายงานได้แต่ริงจะเกิดวันไหนนี่ก็บอกไม่ได้มันบอกไม่ได้มันก็ขอประทะก็จริงมันก็ต้องทนเอาส่วนหนึ่งเราจึงป้องกันไม่ได้แต่ส่วนหนึ่งก็ต้องทนเอาส่วนที่เราป้องกันไม่ได้แหะคือต้องทนเอาส่วนที่ป้องกันได้ก็เป็นเรื่องของการป้องกันได้ อารมณ์ที่สําคัญก็คืออารมณ์รักชังอารมณ์ยินดียินร้ายเราเห็นว่าขันติที่ทรงสอนไว้จึงสอนไว้ทั้งสองแนวแนอารมณ์ที่ยินร้ายเช่นว่าเขาทําให้เกิดความโกรธความมััดประยาบาดความขัดเคลืองความทุกข์ทรมานต่างๆเนี่ยถ้าเราอดกัน้นอดทนไม่ได้เราก็รู้อนานาจแก่อารมณ์ได้บังเกิดขึ้นบางทีมันจะเสียหายกันเป็นการใหญ่ และยากต่อการจะแก้ไขเป็นกติแบบไทยที่ท่านพูดเอาไว้ทํานองว่าอดเปรี้ยวไว้กินหวานอย่างที่ท่านเล่าถึงพระธีกิติโกศลถูกพระเจ้ากรุงพารณนสีบุคยุตเมืองแล้วก็ในที่สุดก็ประหารท่าน ในขณะที่กำลังจะประหารนั่นเองพระรจชโอรสของพระองค์ซึ่งหนีแล้วก็ปร้อมเป็นสามัญชนมาดูพระราชบิดาในพิธีที่จะถูกระหารพระเจ้าธีกิติท่านก็กล่าวเป็นคำเตือนให้สติแก่ลูกชายว่าอาดุลดวงจิตบิดาจงฟังเพราะว่าให้เห็นแก่การยาวนานอย่าเห็นแก่สั้นเกินการชื่อเวนไปรานระงับระูเวนกัน หมายความว่าในขณะที่พ่อกำลังจะถูกฆ่าเนี่ยลูกชายเคยทีกวุิกุมารโกรธแล้วก็วางแผนจะแก้แค้นเือจะฆ่าในสุดบางก็จะกลายเป็นการทำลายชีวิตของราชกุมารเองแทนที่จะถูกฆ่าจะเพราะาลูกก็จะถูกฆ่าด้วยตะ ก, กูลวงก็จะถูกตัดจะถูกทำลายด้วยเพราะฉะนั้นจึงสอนในทํานองให้อดเปรี้ยวไว้กินหวาน พอจงเห็นแก่การยาวนานจะเห็นแก่สั้นเกินการชั่วเวรไปราดระงับประปุเวนกันคือสอนไว้ทั้งสองแนวือการในโต้ตอบแในแก้แค้นในหล้างแค้นในคล้ายๆกับสะใจแต่ที่จริงแล้วสร้างเวรไภ ย, ยื้อเยื้อยาวนานแต่ถ้าอดกา้นอดทนเอาไว้นั้นรู้สึกจะลําบากในตอนตอน้นแต่ว่าจะได้ผลประโยชน์มากมายในตอนตอนปลายหรือตอนตอน่ต อ, ต อ, ตอไป ทั้งเป็นบุญเป็นกุศลเป็นอุปนิสัยเป็นบารมีต่างๆซึ่งเมื่อทีกบุกุมารทําตามในที่สุดท่านก็ได้ราชสมบัติคืนพร้อมด้วยพระราชิดาของพระเจ้าแผ่นดินที่เป็นข้าศึกของพระองค์ ก, ก็แสดงก่าได้มาทั้งหมดเป็นฐานะดั้งเดิมของพ่อท่านท่านก็ได้มาแล้วก็แถมด้วยเป็นราชบุตรเขยของพระราชาอีกเมืองหนึ่งด้วย ก็แสดงว่านาเขตดินแดนนี้จะมวกวางขึ้นนั่นเพราะอะไรเพราะอาศัยความอดกลั้นความอดทนความทนทานของท่านเหล่านั้นลักษณะาอารมณ์ที่ขอให้เกิดความใคลาความปรารถนาพอใจก็เป็นเช่นเดียวกันถึงว่าทีจริงแล้วเป็นอารมณ์ที่อดทนค่อนข้างยากเพราะอะไรเพราะภายในจิตใจของบุคคล น, นั้นมีเชื้อกรรมาธาตุเชื้อกรรมตัณหาเชื้อภวะตัณหาอีกมาก แล้วก็รับเชื่ออยู่ทุกวันคล้ายๆกับผูบด้านฐานโรคในจุดนี้มันชักจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่พระเั้นพุทธเจ้าจึงสรงสอนในแนวของการฝึก จ, จ, จิตใจเพื่อให้มี จ, จ, จิตใจมั่นคงหนักแน่นมั่นคงไม่อ่อนไหวไปกับอารมณ์ที่ยั่วยุให้อยากมากจนเกินไปซึ่งก็หมายความว่าใจต้องทนต่ออารมณ์เหล่า น, นั้นได้ ซึ่งอย่าลืมว่าอารมณ์เหล่านี้ที่จริงแล้วมันมีการปรุงแต่งขึ้นวัยยุง่งไอโกรธก็ที่จริงก็ปรุงขึ้นอย่างการรบของคนจีนเราเห็นว่าจะด่าว่าท้าทายนั้นแสดงว่ายุ่งให้โกรธเพราะอะไรเพราะความโกรธมันเกิดขึ้นครอบงาใจแล้วเนี่ยเหตุผลสติปัญญามันมันจะลดลงไปแล้วจะกลายเป็นการการะทาที่บุ่มบา่าม ไม่มีเหตุไ ม, ม่ผลก็ตกเป็นเครื่องมือของบุคคลอื่นก็คล้ายๆกับที่กุมประกันท้าให้สุครีพถอนต้นรังเราจนว่าสุครีพเกิดโกรธเกิดรูกอํานาจเกิดความโกรธเพราะมันมันเป็นโดมินเชิงชายคล้ายๆกับไม่มีเรี่ยวแรงไม่มีกําลังอะไรต่อไรแต่พอถอนมันก็ถอนได้จริงแต่ก็หมดแรงกุมประกันก็จับได้ นั่นเราเห็นคือโทษของความไม่อดทนต่อการยั่วยุในขณะนั้นและในที่สุดก็กลายเป็นความเสียหายความเสื่อมเสียตั้งตัวงานและเก็บประวัติของตัวเองว่าแนวอดทนต่ออารมณ์เป็นแน่ที่ต้องใช้มากในปัจจุบัน พระเจ้าทรงแสดงเรื่องขันติความอดกลัน้นความอดทนเอาไว้โดยนยิย่าต่างๆเป็นอันมากในว่าตปาติโมกเองทรงแสดงว่าขันติปรมังตโปตีติขาความอดกลัน้นคือความทนทานเป็นตะบะอย่างยอดยิ่งโดยทรงแสดงขันติไว้ว่ า, วาเป็นธรรมะที่ทําบุคคลงดงาม เป็นกำลังของผู้บําเพ็ญเพียรทั้งหลายเป็นเครื่องประดับของนักปราชญ์ทั้งหลายเป็นเครื่องประดับของคนดีทั้งหลายและโดยเฉพาะผู้ศึกษาธรรมประพฤติปฏิบัติธรรมนั้นจะต้องมีความอดกลั้นความอดทนเป็นอย่างสูงในโบราณท่านกล่าวไว้ว่า ชายงามด้วยความรู้ดุเหางามพราะนาเสียงหญิงสวยด้วยคู่เคียงสัตว์ของเลี้ยงงามพราะผีพระจานท์นั้นแจ่มฟ้างามสง่าพระราตรีบรรพชิตต้องพวงมีถือคันตีงามพันอะไรเราจะเห็นว่าแม้จะเน้นจุดเน้นจะแตกต่างกันแต่ว่าทุกคนนั้นจะต้องมีความอดกลั้นความอดทนว่าจะเป็นผู้หญิงจะเป็นผู้ชายจะเป็นอะไรก็ตามต้องมีความอดกอดลั้นอดทนทั้งนั้น เพราะอารมณ์ข้างนอกนั้นไม่เป็นใจกับเราต่างคนต่างใช้อารมณ์แต่้ทุกคนใช้อารมณ์มันก็กลายเป็นจราจลอย่างแนวที่เราศึกษาเรื่องน้ำพึ่งหยดเดียวก็คือแนวอารมณ์ไม่มีการดับย้างชั่งใจไม่มีความการไม่มีการอ ด, ดกลั้นอดทนต่ออารมณ์ดดนั้นในตัวขันตินี่แหละ เมื่อใช้ไปแล้วจะต้องมีอาการอย่างหนึ่งที่เรียกว่าโศรจะแปลว่าความ ส, มสงบเสงี่ยมคือมีความแช่มชื่นมีความเบิกบานมีความเยือกเย็นปรากฏอยู่ภายในใจไม่ใช่ออดทนได้แล้วก็กลายเป็นพยาบาท แ, แสดงเราเห็นว่าเราอดทนแต่ว่าวางวางแผนจะแก้แค้นในวันหน้าอันนี้เป็นการเปลี่ยนกิเลส ใจก็ยังคงไม่สงบอยู่นั่นเองในเร่งนี้ท่านสาธชนทั้งหลายเห็นว่ามันเป็นการบรรเทากระแสตัณหาไปในตัวแต่ไม่พูดเรื่องตัณหาเลยเพียงแต่ว่าเอาธรรมะมาเพิ่มขึ้นทำนองคล้ายๆกับเอาน้ำใสๆเข้าไปในสระน้ำที่มีน้ำขุนอยู่เราไม่พูดถึงน้ำขุนแต่เราเพิ่มแต่ปริมาณน้าใส พอถึงจุดหนึ่งน้ำใสก็เพิ่มขึ้นน้ำขุนก็จะตกตะกอนลงข้างล่างโดยลำดับข้างนอกก็จะปรากฏเป็นพื้นน้ำที่ใสสะอาดซึ่งสามารถใช้ประโยชน์ได้ก็อสำคัญว่าอย่าไปกลัวมันขุนขึ้นมาก็แล้วกันพันธมาเหล่านี้โดยวิธีการปฏิบตัติแม้จะแตกต่างกันแต่พอปฏิบัติไปแล้วคือกิเลสลดลงธรรมะเพิ่มขึ้น ความทุกข์ลดลงความสุขเพิ่มขึ้นซึ่งก็เป็นสูตรทั่วทั่วไปทุกกรณีที่ทรงแสดงไว้ต่อแต่นี้ไปก็ขอให้ตั้งใจทำความสงบสึกต่อไป